ลงพ่อครับเป็นไปได้หรือครับที่คนเราจะอยู่ได้ตั้งสามเดือนโดยไม่ต้องกินอาหารผมว่ามันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์ชิดเอ่ยถามหลังจากนายจรินลุกออกไปแล้วขัดสิโยมถ้าโยมเอาหลักวิทยาศาสตร์มาตัดสินมันขัดแน่แน่ แต่สําหรับอาตมาไม่ได้คิดอย่างนั้นอาตมาไม่ได้ยกย่องวิทยาศาสตร์ว่าสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างให้มนุษย์ได้ทั้งนี้เพราะยังมีอีกหลายอย่างหลายเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงเช่นเรื่องของกรรมและเรื่องของจิตวิญญาณเป็นต้น ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆในกรณีของโยมการที่หมอเขาไม่สามารถรักษาโรคให้โยมได้เพราะเขาใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่อาตมาจะใช้วิธีการทางจิตรักษาให้หายอย่าลืมว่าจิตวิญญาณ น, นั้นมีพลังมากกว่าสสาร หลายเท่านักการที่ร่างกายของท่านสวินไม่เน่าเปื่อยเพราะอาศัยพลังจิตซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นไปไม่ได้นั่นแหละอาตมาถึงไม่ยึดเอาวิทยาศาสตร์มาเป็นเกณฑ์ตัดสินในทุกกรณี เพราะมีบางกรณีที่วิทยาศาสตร์ตัดสินไม่ได้แต่มนุษย์ทุกวันนี้เขายึดวิทยาศาสตร์เป็นสารณะเพราะเขาให้ความสำคัญกับร่างกายมากกว่าจิตใจอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เขาก็ถือว่าเป็นเรื่องเลวไหลไรสาระ เช่นเรื่องจิตวิญญาณเป็นต้นท่านกล่าวถึงความเชื่อพื้นฐานของคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันเรื่องฌานสมบัติที่หลวงพ่อพูดถึงเมื่อตะกี้ก็เป็นเรื่องของจิตใช่ไหมครับผู้มากวยกว่าถามอีกนายขุนทองรู้สึกว่าฟังไม่รู้เรื่องจึงขอตัวไปนอนถูกแล้ว เป็นเรื่องของจิตโดยตรงทีเดียวคนธรรมดาจะสามารถเข้าฌานได้หรือเปล่าครับได้หากมีการฝึกจิตถ้าเช่นนั้นถ้าหากผมฝึกจิตผมก็สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ใช่ไหมครับไม่ได้หรอกโยมบุคคลที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้นั้น มีเพียงสองประเภทคือพระอนาคามีที่ได้สมาบัติแปดกับพระอรหันต์ประเภทอุปโตภาควิมุตตะนอกนั้นเข้าไม่ได้พระโสดาบันและพระสกทาคามีก็เข้าไม่ได้หรือครับไม่ได้ถึงแม้ท่านจะได้สมาบัติแปด แต่ก็ยังเข้าเนโรตส ม, มาบัตไม่ได้เอาละ่ะอาตมาว่าโยมปฏิบัติไปดีกว่าเรื่องเหล่านี้ยังไกลตัวเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนเรื่องไกลตั ว, อ เ, อตวเอาไว้ทีหลังท่านพระครูพูดตัดบทครับแต่หลวงพ่อครับหลวงพ่อบอกผมตอนก่อนไปว่า กลับมาจะเล่าอะไรให้ฟังเขาถือโอกาสทวงสัญญาตกลงเล่าก็เล่าความลับนะห้ามเอาไปพูดต่อสัญญาได้ไหมได้ครับผมให้สัญญาคนอยากฟังรับคำหนักแน่นเอาละถ้าอย่างนั้นอาตา ม, มาก็จะเล่าให้ฟัง แล้วท่านจึงเล่าว่าที่อาตมาถามถึงตาวนนะ่ะเพราะเคยทำกรรมกับแก่ไว้สมัยที่อาตมาเป็นเด็กนี่ก็ไปจัดการชดใช้มาเรียบร้อยแล้วกรรมอะไรครับอาจารย์ชิดถามโกงค่าเรือจ้างสมัยก่อน แกมีอาชีพพายเรือข้าม้ากเก็บค่าโดยสารเที่ยวละหนึ่งสตางค์อาตมาตอนนั้นเป็นนักเรียนต้องข้าม้ากไปเรียนหนังสือฝั่งโน้นก็ใช้บริการแกทุกวันพอขึ้นท่าก็แกล้งโยนก้อนหินก้อนเล็กๆ ล, ลงไปที่ท้ายเรือทำเป็นว่า จ่ายข่าโดยสารแกก็ไม่ติดใจสงสัยเพราะพูดโดยสารคนอื่นๆเขาก็ทำอย่างนี้โยนก้อนหินลงไปนะหรือครับเปล่าโยนสตางค์จริงๆคือพอขึ้นท่าเขาก็จะโยนสตางค์ลงไปที่ท้ายเรือมีอาตมาคนเดียวที่ใช้ก้อนหิน แกเคยจับได้บ้างไหมครับผู้สูงอายุถามอีกมือฉันนี้แล้วถ้าถูกจับได้ก็เสียชื่อหมดนะสิท่านถือโอกาสคุยหลวงพ่อเก่งจังนะครับคนฟังแซงชมอ้าวเก่งสิไม่เก่งได้หรือแต่ขอโทษเถอะ ในทางเลวทั้งนั้นและท่านก็หัวเราะคนฟังพลอยหัวเราะตามจากนั้นท่านเจ้าของกุฏิจึงเล่าอีกว่าอาตมาก็โกงแก่ทุกวันกระทั่งย้ายโรงเรียนพูดแล้วอย่าหาว่าคุยนะอาตมานี่ย้ายโรงเรียนเป็นว่าเล่นจังหวัดสิงบุรีสมัยนั้น มีโรงเรียนมัธยมอยู่แปดแห่งอาตมาเรียนมาหมดทุกแห่งแห่งละเดือนบ้างสองเดือนบ้างอย่างเก่งไม่เกินหกเดือนเสร็จแล้วก็ย้ายไปอีกทำไมย้ายบ่อยจังครับถามอย่างสนใจท่านพระครูตอบอย่างภาคภูมิว่าก็เขาเชิญออก เรียนได้เดือนสองเดือนเขากดเชิญออกเพราะอาตมาเก่งเกินไปพวกครูเขาปวดหัวเพราะตามความเก่งกาจของลูกศิษย์ไม่ทันก็เลยเชิญให้ออกอาตมาก็ต้องย้ายไปหาที่เรียนใหม่พอครบแปดแห่งแล้วหลวงพ่อทำอย่างไรครับวนรอบสองหรือเปล่า คนเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถามอย่างนึกสนุกวนสิวนรอบสองแต่เขาไม่รับซักแห่งเดียวเขาบอกแค่รอบเดียวครูก็จะพากันลาออกหมดโรงเรียนแล้วถ้าคืนรับอาตมาเข้าเรียนรอบสองมีหวังผ่านโรงก็ต้องขอลาออกอาตมา ก็เลยต้องไปเรียนที่บางกอกโนดเอาละ่ะจบเรื่องโรงเรียนก่อนมาเล่าเรื่องตาวนต่อครับตกลงแกรู้เรื่องที่หลวงพ่อโกงค่าเรยจ้างหรือยังครับคนฟังถามรู้สึกสนุกจนลืมปวดแผลรู้แล้วอาตมาบอกแกเมื่อกี้เองแต่เชื่อเถอะ แกไม่บอกใครหรอกอาตมารับรองได้หลวงพ่อจะแน่ใจได้อย่างไรครับพอหลวงพ่อลงเรือนมาแกอาจจะบอกลูกเมียแกก็ได้คนมากไวกว่าคาดการแกไม่บอกหรอกโยมเพราะแกนอนพผ ง, งาบผ ง, งาบจะไปอยู่แล้วอาตมาดูแล้วว่า สี่ทุ่มคืนนี้แก่ไปแน่เห็นไหมนายยบายของอัตมาใช้ได้หรือเปล่าเลือกสารภาพตอนที่แก่พูดไม่ได้แล้วท่านหัวเราะอีกแล้วนายขุนทองสาบเรื่องนี้หรือเปล่าครับถามเสียงเบาให้รู้ไม่ได้สิเจ้าหมอนี่ ความลับได้เ็จที่ไหนหละ่ะท่านวิจารณ์คนมีศักดิ์เป็นหลานพ่ออาตมาไปถึงพวกลูกๆเขาดีใจใหญ่บอกแม้หลวงพ่อใจดีจังอุตส่าห์มาเยี่ยมแถมเอาทั้งของทั้งเงินมาให้พระวัดอื่นเขามีแต่จะเอาของญาติโยมแต่หลวงพ่อวัดนี้กลับ เอามาให้ญาติโยมอาตมาก็นึกขำที่เขาชมต่อหน้าที่แท้เปล่าหรอกอาตมามาใช้หนี้ตังหากเขาก็พาอาตมาเข้าไปหาพ่อเขาอาตมาก็เข้าไปใกล้กๆกระซิบข้างหูแก่ว่าตะวนจำอาตมาได้ไหม ที่เคยโดยสารเรือจ้างโยมเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนนะ่ะแกก็พยักหน้าอาตมาก็พูดต่ออีกว่าโยมรู้หรือเปล่าอาตมาโกงค่าเรือจ้างโยมทุกวันไม่เคยให้สตางค์เลยแต่โยนก้อนหินไปแทนนี่นยโยมก็ป่วยหนะักถ้าอยากได้บุญ ก็อโหสิกรรมให้อัตมานะเพราะตอนนี้อาตมาเป็นพระแล้วแล้วก็นี่เงินสองร้อยบาทอาตมาใช้นี่ค่าเรือจ้างส่วนพวกเครื่องดื่มนี่คิดว่าเป็นดอกเบีย้ยแต่โยมห้ามไปบอกลูกหลานนะสัญญาได้ไม่เล่าคืนบอก เขาก็จะพากันเลิกนับถืออัตมาแกก็พยักหน้าอีกอาตมาก็โล่งใจที่ได้ใช้นี่ไปอีกหนึ่งรายเสร็จแล้วอัตมาก็เทศโปรดแกเรื่องเกิดแกเจ็บตายแกก็ฟังอย่างสงบก่อนกลับอาตมาก็สอนกรรมฐานให้บอกว่า ให้แกนอนกําหนดพองยุคไปเท่าที่จะทําได้ไม่ต้องห่วงลูกหลานหรือสมบัติให้เอาสติไว้ที่ท้องเท่านั้นแกก็พยายามทําตามที่อาตมาสอนตกลงเรื่องนี้มีแกกับอาตมารู้กันสองคนเท่านั้นท่านสรุป รู้สึกโล่ง อ, อกโล่งใจเสียนักแต่ตอนนี้สามแล้วนะครับหลวงพ่อเพราะเพิ่มผมเข้าไปอีกคนหนึ่งคนฟังแยง้งไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เหลือสองเท่าเดิมหลังสี่ทุ่มไปแล้วก็เหลือสองเท่าเดิมท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มอดีตอาจารย์จึงประเมินผลว่าผมว่า เรื่องนี้นายวนแกได้กำไรนะครับที่ลุงพ่อเทสโปรโดแกแถมยังสอนกรรมฐานให้กำไรหลายสิบเท่าตัวเทียวแหละไม่เหมือนเรื่องเจลีรายนั้นขาดทุนอ่านไปเลยพูดแล้วก็หัวเราะเจ๊หลังโยมไม่ใช่เจลีแล้วกัน ไปเปลี่ยนชื่อให้เขาเสร็จแล้วเอาละ่ะทีนี้โยมก็ปฏิบัติต่อได้แล้วอย่าลืมดื่มยาบ่อยๆนะดื่มต่างน้ำเลยจะได้หายเร็วๆเอาละ่ะให้เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงวันนี้จะมีทุกขเวทนามากกว่าทุกวันอย่าตกใจ ให้ตั้งสติกำหนดปวดหนอปวดหนอถ้าไม่หายก็ให้กำหนดว่าอดทนหนออดทนหนาแล้วก็หันมากำหนดพองยุบต่อไปจนกว่าจะครบหนึ่งชั่วโมงอาตมาเห็นจะต้องขึ้นไปทำงานต่อข้างบนแล้วนะพูดจบท่านก็ลุกออกไปปิดประตูด้านหน้าและด้านหลังของกุฏิ แล้วจึงขึ้นไปข้างบนนายสมชายมีกุญแจอีกดอกหนึ่งที่จะไขเข้ามาเองได้โดยไม่ต้องตะโกนเรียกคนขีนเ้เศารอย่างนายขุนทองมาเปิดให้เช่นที่แล้วแล้วมาเ <çalış> มื่ออยู่คนเดียวอาจารย์ชิดจึงเริ่มเดินจงกรมรู้สึกปวดหนึบหนึบที่แผลหากเขาไม่สนใจพยายามเอาสติ จดจ่อกับอาการเคลื่อนไหวของเท้าเหลือบมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาขณะนั้นเป็นเวลาสองทุ่มครึง่งเขาจะต้องเดินไปจนถึงสามทุ่มครึง่งจากนั้นก็จะนั่งไปจนกว่าจะครบหนึ่งชั่วโมงตามที่หลวงพ่อท่านสั่งแต่ปัญหาก็คือจะรู้ได้อย่างไรว่าหมดเวลาคงจะต้องลืมตาขึ้นดูนาฬิกาเป็นครั้งคราวแว่า การกระทําเช่นนั้นจะทําให้สมาธิไม่ต่อเนื่องบุรุษวัยหกสรู้สึกสับสนทางความคิดจนต้องหยุดเดินและตั้งสติกําหนดสับสนหนอสับสนหนอยังไม่ทันจะหายสับสนก็ได้ยินเสียงทุบประตูปังปงพร้อมกับเสียงเรียกเข้ามาว่าท่านพระครูอยู่หรือเปล่าครับช่วยเปิดประตูหน่อยอาจารย์ชิด จึงจำต้องเดินไปที่ประตูเพื่อจะเปิดหากก็ไม่สามารถเปิดได้เพราะไม่มีลูกกุญแจจึงหันกลับเพื่อจะไปปลุกนายขุนทองพอดีกับนายสมชายไขกุญแจเข้ามาทางประตูด้านหลังมีคนมาเรียกหาหลวงพ่อแนะ่เขาบอกสิทธิ์วัดครับเดี๋ยวผมเปิดให้เองชายหนุ่มเดินไปหยิบพวงกุญแจ ที่ห้อยอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นแล้วจึงไขประตูเปิดให้ผู้ที่อยู่ข้างนอกเข้ามาท่านพระครูจำวัดหรืออย่างภิกษุวัยเดียวกับเจ้าของกุฏิถามท่านมากับเครือหัดสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งยังรกครับนิมนต์หลวงพ่อนั่งรอก่อนประเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตามให้ภิกษุรูปนั้น จึงไปนั่งรอที่หน้าอาสนะส่วนผู้ติดตามทั้งสองก็เข้ามานั่งในกุฏินายสมชายจัดการชงน้ำชามาประเคนท่านสำหรับครหัต ส, สองคนเขาแถมขนมปังกรอบชิ้นเล็กๆมาให้ด้วยบริการแขกเสร็จจึงขึ้นไปตามท่านพระครูอาจารย์ชิดหลบออกไปเดินจงกรมที่ด้านหลังโรงรถเขาไม่ต้องการนั่งอยู่ณที่นั้น ด้วยเหตุผลสองประการคืออาคันตุกะของท่านพระครูจะได้ไม่เหม็นกลิ่นเน่าจากแผลของเขาประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งเขาจะได้ไม่เสียเวลาการปฏิบัติกรรมฐานเ mm. มื่อท่านพระครูเปิดประตูหน้าบันไดออกมาภิกษุอาคันตุกะยกมือไหว้ทำความเคารพท่านรับไหว้ผู้ติดตามทั้งสอง ก้มลงกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งผมต้องขอโทษที่มารบกวนท่านพระครูในยามวิกาลเช่นนี้ภิกษุวัยห้าสิบเอ่ยขึ้นก่อนอย่าถือว่าเป็นการรบกวนเลยครับวัดป่ามะม่วงยินดีต้อนรับท่านพระครูทุกเวลาท่านเจ้าของกุฏิ พูดกับภิกษุผู้มีวัยและสมณศักเสมอกับท่านผมมีเรื่องด่วนจะมาเรียนปรึกษาท่านพระครูรอให้ถึงพรุ่งนี้ไม่ได้เลยชวนญาติโยมเข้ามาคือเนนลูกวัดผมก่อปัญหาเสร็จแล้วลูกชายผมเองครับนี่แม่เขาครืัดที่มาด้วยพูดขึ้น ทั้งเขาและพันยามีท่าทางทุกร้อนโดยเฉพาะพันยานั้นมีดวงตาแดงชำ้ำแสดงว่าเพิ่งผ่านการร้องไห้มาเกิดอะไรขึ้นกับเนนลูกชายของโยมหรือท่านถามสองสามีพันยานิมนหลวงพ่อเล่าดีกว่าครับบุรุษวัยสี่สิบบอกภิกษุผู้เป็นอุปชาของเนนลูกชาย คืออย่างนี้ครับท่านพระครูโยมสองคนนี้เขาพาลูกชายมาบวชเนรที่วัดผมก็บวชมาตั้งแต่อายุส4สจนอายุจะครบบวชพระเข้าปีนี้แล้วเนรลูกนี้ขยันนั่งสมาธิมากพอฉันเสร็จก็นั่งสมาธิ ไม่พูดไม่คุยกับใครเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่บทใหม่ๆแล้วครับทีนี้มาในช่วงหลังๆนี่นั่งสมาธิข้ามวันข้ามคืนเลยข้าวปลาอาหารก็ไม่ยอมชันภิกษุผู้มาเยือนเล่าความก็ดีแล้วนี่ มีลูกสิขยันปฏิบัติอย่างนี้ท่านน่าจะภูมิใจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดขัดขึ้นครับผมก็ภูมิใจโยมพ่อโยมแม่เขาก็ภูมิใจแต่ตอนนี้มันเกิดเรื่องยุ่งแล้วล่ะครับท่านพระครูยุ่งยังไงละ่ะ ท่านเจ้าของกุฏิซักคือตอนหกโมงเย็นเนนเขาออกจากสมาธิแล้วก็ถือบาตรเดินออกจากวัดจะไปบินทบาทบินทบาทตอนหกโมงเย็นนะหรือครับทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้นั่นสิครับเขาถือบาตรออกมา แถมสบงจีวรก็ไม่มีเดินตัวลั่นจนออกมาจากห้องพระเนนก็พากันตกใจถามว่าเนนจะไปไหนเขาก็ว่าผมไม่ใช่เนนนะผมสำเร็จเป็นพระอระหันต์แล้วพวกคุณต้องกราบผมสิพระเนนเขาเห็นไม่ได้การ เลยไปบอกผมผมก็ถามว่าเนนทำไมไม่นุ่งสบงผงจีวอนให้เรียบร้อยไม่อายคนเขาหรือผมก็เลยถูกดุกว่าคุณอย่ามาเรียกผมอย่างนั้นนะผมเป็นพระอรหันต์แล้วสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วพูดจบก็ถือบาทเดินทงทงไปทางประตูหน้าวัด ผมก็เลยสั่งให้พระเนนช่วยกันจับเขาก็วิ่งหนีก็เกิดการไล่จับกันขึ้นญาติโยมที่บ้านอยู่ใกล้วัดก็พากันมาดูแล้วก็วิภาควิจารณว่าเนนบ้าผมก็เลยบอกให้โยมผู้ชายช่วยกันจับกว่าจะได้ก็เล่นเอาหอไปตามๆกันแล้วตอนนี้ อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่วัดครับผมให้เขามัดไว้แล้วไปตามโยมพ่อโยมแม่เขามาเขาก็จําอะไรไม่ได้พูดแต่ว่าผมเป็นพระอรหันต์ผมเป็นพระอรหรันต์คุณมาจับพระอรหันต์มัดไว้อย่างนี้จะต้องตกนรกลูกที่ฉันเป็นอะไรไปคะหลวงพ่อ ผู้เป็นแม่ถามสิงเครือเท่าที่ฟังเล่ามาอาตมาขอลงความเห็นว่าเขาหลงทางเส้นแล้วแบบนี้ลำบากแกยากท่านสายหน้าช้ า, ชาแล้วจะทำยังไงดีคะคราวนี้หล่นร้องไห้ต้องให้ศึกเอาเถอะ พอสึกออกมาอีกหน่อยเขาก็มีลูกมีเมียแล้วก็จะหายไปเองท่านพระครูบอกหนทางแก้ไขแต่ดิฉันอยากให้ลูกบวชตลอดชีวิตค่ะอยากให้เขาบรรลุมรรคผลนิพพานสตรีวัยสีสิบรำพันภิกษุอาคันตุกะจึงถามขึ้นว่าบวชต่อไม่ได้หรือครับ ท่านพระครูโยมแม่เขาอยากให้ลูกบวชตลอดชีวิตไม่ได้แน่เขาสร้างบุญบา ร, รมีมาแค่นี้ถ้าไม่ให้สึกรับรองว่ากูไม่กลับเชื่ออาตมาเถอะแต่ดิฉันทำใจไม่ได้ค่ะหลวงพ่อดิฉันมีลูกชายคนเดียวและก็หวังมากว่า เขาจะได้เป็นพระอระหันต์คนเป็นแม่รำพันมนุษย์เราไม่ได้อย่างที่ใจหวังไปทุกคนหรอกโยมอาตมาว่าโยมจะต้องทำใจให้ได้เอาเถอะอีกหน่อยพอมีหลานมาให้อุ้มโยมก็จะทำใจได้เองนะโยมนะเมื่อพูดถึงหลาน สตรีวัยส0รู้สึกอบอุ่นลึกๆด้วยสัญชาตญาณของการนำรงเผ่าพันธ์จริงสินะหากคนบรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์กันหมดเผ่าพันธ์ของมนุษย์ก็จะต้องสูญสิ้นไปจากโลกเป็นแน่แท้หล่อนคิดหารู้ไม่ว่าสิ่งที่คิดนั้นมันเป็นไปไม่ได้ต้องพาไปส่งโรงพยาบาลปากักคลองสารหรือเปล่าคะ หล่อนถามอีกคราวนี้ด้วยความรู้สึกห่วงลูกมากกว่าห่วงมรคนิพานไม่ต้องรอกโยมถ้าให้สึกไม่ต้องส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าไม่สึกถึงจะส่งโรงพยาบาลก็ไม่มีโอกาสหายท่านพระครูพูดตามที่เห็นแต่ถ้าเขาไม่ยอมสึกแล้วครับ ท่านพระครูผู้เป็นอาคันตุกะยังมิตกท่านก็ต้องเลือกโอกาสพูดกับเขาสิครับคือเลือกพูดตอนที่เขาสงบแล้วตอนกําลังคลั่งอย่าเพิ่งพูดท่านเจ้าของกุฏิแนะนำจริงของท่านแหมผมก็ลืมข้อนี้ไปเซสนิทเลยถ้าอย่างนั้นเห็นจะต้องลาละ ขอบพระคุณที่ท่านกรุณาแนะนำแล้วภิกษุอาคันตุกะหนึ่งรูปกับครหัดสองคนก็ลาท่านเจ้าของกุฏิกลับท่านพระครูให้นายสมชายไปเรียกอาจารย์ทิศมาปฏิบัติภายในกุฏิแล้วจึงขึ้นไปเขียนหนังสือต่อเมื่อเดินจงกรมครบหนึ่งชั่วโมงบุรุษวัยหจึงกำหนดนั่ง เขาไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเพราะนายสมชายเกิดใจดีนำนาฬิกาปลุกมาให้เขายืมพร้อมทั้งตั้งเวลาให้เสร็จสับอาการพองยุบชัดเจนในตอนแรกๆครั้นเวลาผ่านไปชั่วครู่ความรู้สึกปวดที่แผลทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและน้ำเหลืองก็ออกมามากผิดปกติจนเสื้อกล้ามเปียกชื้น นึกถึงถ้อยคําของท่านพระครูที่ว่าวันนี้จะมีทุกขเวทนามากกว่าทุกวันจึงไม่ใส่ใจกับมันเพราะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องเป็นเช่นนี้ขณ ะ, ะเผชิญกับเวทนากล้าปุรุษสูงอายุปลุกปลอบใจตนเองด้วยการนึกไปถึงนางสาวส้มป่อยป่านชนี หล่อนก็คงกำลังทุกข์ทรมานไม่แพ้เขาความรู้สึกว่ามีเพื่อนทำให้เกิดกำลังใจมาต่อสู้กับทุกขเวทนาที่ได้รับถึงอย่างไรก็จะทนนั่งอย่างนี้ต่อไปจนกว่าจะหมดเวลาทั้งจะไม่ยอมเปลี่ยนอิริยาบถเป็นอันขาดเสียงข้อประตูดังขึ้นอีกหากคราวนี้ คนเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั่งเฉยเพราะได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ขยับลุกไปไหนจนกว่าจะหมดเวลาสิ่งนั้นดังขึ้นกว่าเดิมตามด้วยเสียงเรียกชื่อนายสมชายคนถูกเรียกอาบน้ำเสร็จพอดีจึงเดินออกมาเปิดประตูสมชายช่วยปเปรียนหลงพ่อให้ไปดูสม่อยด้วยอาละวาดใหญ่แล้ว ฉันหามยังไงก็ไม่ฟังเล่นเอาคนอื่นไม่เป็นอันได้ปฏิบัติกันละ่ะแม่ชีเจียนบอกลูกศิษย์วัดเธอมากับเพื่อนชีอีกสองคนเพราะท่านเจ้าของกุฏิเคยสั่งไว้ว่าหากมีธุระด่วนและจําเป็นต้องมาพบท่านในยามวิกาลจะต้องมีเพื่อนมาด้วยสองคนเป็นอย่างน้อยแม้จะไม่ได้ลืมตาขึ้นดู หากหูของคนที่กำลังนั่งสมาธิก็ได้ยินเรื่องที่แม่ชีบอกนายสมชายแล้วใจก็เลยนึกสงสารท่านพระครูที่ต้องถูกผู้คนรบกวนทั้งกลางวันกลางคืนโดยไม่เลือกข้างขึ้นหรือข้างแรม